ปัดนี้จกแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมสการ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 ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั่นก็ต้องอาศัยศีลเป็นภาคพื้นอาศัยสมาธิ เป็นบาทเป็นอันว่าศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิหรือปัญญาสมาธิและศีลต้องอาศัยซึ่งกันและกันอันภูปฏิบัติธรรมะ จะพึงปฏิบัติให้มีทั้งสามดังจะพึงเห็นได้ว่าปัญญานั้นต้องมีเป็นภพพื้นมาก่อนเหมือนกันคือปัญญาที่เป็นพื้นจึงทำให้รู้จัก พุทธศาสนารู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญารู้จักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นอยู่เพียงพอก็จะไม่ รู้จักไม่สามารถปฏิบัติได้ดังจะพึงเห็นได้ถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักธรรมะที่จะรู้จักปฏิบัติธรรมะแต่มนุษย์นั้น มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติได้แต่แม้เช่นนั้นก็มีระดับของปัญญาแตกต่างกันถ้าหากว่ามีปัญญาน้อยมากเกินไปก็ยากที่จะรู้จัก ยากที่จะปฏิบัติได้เหมือนกันต้องมีปัญญาพอสมควรที่เรียกว่าพัพพบุคคลเป็นบุคคลพูพสมควรก็คือมีปัญญาพอสมควรและนอกจากนี้ยังจะต้องมีกิเลสเบาบางพอสมควรไม่ใช่กิเลสหนานัก ถ้าหากว่ามีกิเลสหนานักก็ยากที่จะรู้จักธรรมะรู้จักปฏิบัติธรรมะได้ดังเช่นที่มีโลภโกรธหลงจัดเกินไปหรือว่ามีทิฐิมานะที่รุนแรงเกินไป มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงไปมากที่เรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิดิ่งลงไปก็ยากที่จะรู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ทำให้ ไม่เป็นภพระบุคลคือบุคคลผู้ที่สมควรเรียกว่าเป็นคนอาภัพหรืออาภัพไม่สมควรคือไม่อาจที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลได้หรือว่ามีกรรมที่ประกอบไว้หนักมากเกินไป ดังที่ยกขึ้นแสดงก็คืออนันตริยกรรมกรรมที่หนักมากกรรมนี้เองก็ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลของธรรมะที่เป็นมรรคเป็นผลได้แม้ว่าจะรู้จักและปฏิบัติธรรมะได้ตามสมควรก็ได้บรรลุผล ตามสมควรแต่จๆให้ได้มรรคให้ผลให้ได้นิพพานนั้นทันว่าไม่ได้ก็เป็นอาภัพหรืออาภัพบุคคลส่วนบุคคลนอกจากนี้ไม่งงเงาทึบมืดเกินไปมีปัญญาที่เป็นพื้นอยู่ตามสมควร และก็มีกิเลส ท, ที่ไม่หนามากนักไม่มีทิฏฐิมานะจัดนักไม่มีความเห็นผิดที่ดิงลงไปและไม่ได้ประกอบกรรมที่หนักมากเป็นขั้นอนันตเรียกรรมก็เป็นพัพระบุคคลบุคคลผู้ที่สมควร สามารถที่จะรู้จักธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมะจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นบุคคลส่วนใหญ่จึงกล่าวได้ว่าอยู่ในจำพวกภพพบมคคลและภพพบุคคนนี้เองก็รวมอยู่ในจำพวกที่เรียกว่าเวนยนิกรหรือเวนายนิกร แปล ว, ว่าหมูของคนที่จะพึงแนะนำดัดอบรมได้แหละก็อยู่ในจำพวกที่เรียกว่าดัมมะปุริสะหรือธรรมะปุริสะบุรุธธษที่ฝทธซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นปุริสะดัมมสซาระที่ แปลว่าฝึกบุรุษที่พึงฝึกได้คือฝึกคนที่พึงฝึกได้ก็หมายถึงที่เป็นเวนไนยนิกรหรือที่เป็นภพภูมิบุคคลดังกล่าวมา น, นี้นั่นเองและบุคคลที่เป็นภพพบุคคล เป็นเวเนยนิกรหนหเวเนยหรือเป็นธรรมบุรุษตรีดังนี้กล่าวได้ว่ายอมเป็นภูที่มีศีลบา ร, รมีสมาธิบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีที่ได้อบรมกันมาตามสมควรแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้มีปัญญาที่รู้จักพุทธศาสนา รู้จักที่จะฟังธรรมเข้าใจธรรมทรงจำธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเพิ่มเติมศีล ส, สมาธิปัญญาอันเป็นพื้นนี้ให้มากขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอานาปานสติ ที่จัดเป็นขั้นกายานุปัสนาสี่ขั้นหรือสี่ชั้นต่อจากนั้นก็ได้ตรัสสอนที่เป็นขั้นเวทนานุปัสนาต่อไปคือตรัสสอนศึกษาสำเน็จ ก, กำหนดว่า เราจากรู้ทั่วถึงปิติหายใจเข้าให้ใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไป ขั้นที่สองตรัสสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนียบ ก, กำหนดรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกต่อไปขั้นที่สามตรัสสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนียบ ก, กำหนด ให้รู้จักทั่วถึงกิตตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้าหายใจออกและขั้นที่4ีตรัสสอนว่าเราจักศึกษาสำเนียกกำหนดให้รู้จักเราจักศึกษา รำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้าหายใจออกดังนี้ในการปฏิบัติรมสติสมเนตกกำหนดปีติ จิตสังขารเครื่องปรุงจิตและรำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตนี้นับเป็นเวทนานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นเวทนา และจะพึงเห็นได้ว่าเป็นเวทนาฝ่ายสุขเวทนาการที่ยกฝ่ายสุขเวทนาขึ้นนี่ก็เพราะว่าเป็นการปฏิบัติ ที่สืบต่อมาจากสี่ขั้นที่เป็นขั้นกายานุปัสสนาสติที่ตามรู้ตามเห็นกายก็เพราะว่าการปฏิบัติทำสติกำหนดลมให้ใจเข้าออก มาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นแรกมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าออกยาวก็ให้รู้เข้าออกสั้นก็ให้รู้ัแหละให้กำหนดสำเนีบรู้กายทั้งหมด ซึ่งแปลกายว่ากองลมทั้งหมดก็ได้แปลว่ารู ป, ปรกายนามกายทั้งหมดก็ได้ซึ่งรวมความว่าให้ใจกำหนดรู้ทั้งกายและใจทั้งหมด ในการกําหนดรูกายและใจทั้งหมดนี้ก็ย่อมรวมลมให้ใจเข้าออกเข้าด้วยและรวมตัวความกําหนดเองเข้าด้วยกันเป็นอันว่ารู้กายใจทั้งหมดเหมือนอย่างว่ารู้เห็นตัวนี้นั่งอยู่ในตัวความรู้ ตัวความรู้ครอบครุมตัวนี้ทั้งหมดซึ่งตัวนี้ทั้งหมดก็คือกายใจอันนี้เองให้ใจเข้าให้ใจออกและก็ศึกษาสำเนียกกำหนดที่จะระงับเครื่องกรุงกายที่เรียกว่ากายสังขาร กดชี้เอาลมให้ใจเข้าออกนี่แหละให้ละเอียดสงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วในการปฏิในขั้นกายที่กล่าวมาโดยลำดับนี้ย่อมจะได้ปีติคือความอิ่มใจ อิ่มเอิบใจซึ่งบางทีก็มีอาการเป็นขนลุกสู้ซาไปทั้งตัวบางทีก็มีอาการทราบสาั้นน้อยบ้างเบาบ้างอยู่ทั่วกายทั่วใจ ซึ่งเป็นลักษณะของปีติและได้สุขซึ่งมีอาการเป็นความสบายกายสบายใจความสบายกายสบายใจอันเรียกว่าสุคนี้มีลักษณะที่ละเอียดกว่าปีติอันปีตินั้นย่อมมีอาการที่ สู้ซาทั้งกายทั้งใจทราบส่านไปทั้งกายทั้งใจจึงมีลักษณะที่เหมือนอย่างเป็นฟ้าแล บ, แ, บแปรบปรบก็มีเหมือนอย่างเป็นเครื่องกระทบฝั่งก็งมีหรือบางทีก็ทำให้ มีลักษณะเป็นปีติอย่างโลดโผนจนถึงที่ท่านแสดงว่าทำให้กายลอยไปได้ก็มีเป็นลักษณะของปีติแต่ว่าสุขนั่นเป็นความสบายกายสบายใจที่สงบกว่าปีติละเอียดกว่าปีติ ทั้งปีติและสุขนี้ย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ในขณะที่ปฏิบัติในขั้นกายนี้เพราะเมื่อจิตเมื่อจิตรวมเข้ามาได้ความสงบใจสงบกายขึ้นแล้ว ก็จะเริ่มมีปีติและเริ่มมีสุขอันเกิดจากการปฏิบัติในสมาธิและก็จะมีเรื่อยๆไปสําหรับปีตินั้นบางทีมักจะมีในขั้นต้นๆทําไม่เท่าไรก็จะได้ปีติแต่เมื่อคุ้นๆไปแล้วปีติก็มักจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้าง แต่อันที่จริงนั้นเป็นปีติอย่างละเอียดเข้าเป็นความราบสารที่สงบเข้าแล้วก็เป็นความสุขสบายกายสบายใจสงบมากขึ้นไปโดยลำดับและเมื่อทําที่แรกนั้นจะรู้สึกมีความปวดเมื่อยที่โนนที่นีเป็น ทุกขเวทนาอยู่มากกว่าสุ ข, ขเวทนาแต่ว่าเมื่อจิตได้สมาธิขึ้นได้ปีติได้สุขขึ้นทุกขเวทนาก็จะลดลงลดลงจนถึงเมื่อจิตรวมเข้ามามากรู้กายทั้งหมด และรำงับกายสังขารเครื่องกรุงกายที่ทันเชีื่เอารมณหายใจเขาออกดังกล่าวนั้นได้มากขึ้นก็มีความปลอดโปร่งมากขึ้นจนความเมื่อยครบจะไม่บังเกิดขึ้นไม่ปรากฏนั่งอยู่ได้นานเหมือนอย่างไม่มีแข้งไม่มีขาที่จะเมื่อย เป็นความปลอดโปรง่งเพราะเหตุว่าระ ง, งับกายจสังขารคือเครื่องปรุงกายได้มากขึ้นมากขึ้นที่ยังมีเมื่อยขบอยู่มากนั้นก็เพราะว่ากายจสังขารเครื่องปรุงกายอันนี้เองมีอยู่มากก็ทําให้มีทุกขเวทนามากเมื่อกายสังขารเครื่องปรุงกาย ลดน้อยลงไปที่ตั้งของความเมื่อยขบเขาจะหายไปความเมื่อยขบก็จะไม่ปรากฏปรากฏเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งสบายอยู่โดยมากแต่แม้จะ น, นั้นในขันกายนี้จิตก็ยังกำหนดอยู่ที่กายแต่เมื่อได้พบความระงับ กายจะสังขารเครื่องปรุงกายมากขึ้นกายก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าเพราะฉะนั้นจึงเลื่อนคันขึ้นมากำหนดเวทนาไม่กำหนดกายกำหนดตัวปีติที่บังเกิดขึ้น กำหนดตัวสุขที่มันเกิดขึ้นโดยที่มาตั้งการปฏิบัติที่เรียกว่าศึกษาโดยที่ตั้งใจกำหนดปิติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเลื่อนขึ้นมาจากกายไม่กำหนดกาย แต่มากำหนดปีติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกสติดูอยู่ที่ปีติดูอยู่ที่สุขและก็ต้องหัดศึกษาคือสำเนียกกำหนดต่อไปด้วยคือคอยดู ว่าปิติสุขที่บังเกิดขึ้นนั่นเป็นจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตหรือเปล่าปรุงจิตให้เกิดความติดใจยินดีที่เรียกวาราคะความติดใจยินดี หรือชันทะความพอใจอยู่ในปิติในสุขหรือเปล่าหัดกำหนดดูปิติสุขว่ามาเชื่อมกับจิตยังไงถ้าปิติและสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตทำให้จิตติดติดในปิ ต, ติมีความเพลินอยู่ในปิติในสุขก็ให้รู้จักว่า นี่เป็นตัวจิตสังขารเครื่องปรุงจิตและเมื่อดูให้รู้จักว่าปีติสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตจิตติดในปีติในสุขกลายเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตขึ้นมาดังนี้แล้วก็ถึงท่านที่จะต้องหัดศึกษากำหนดที่จะรำงับ ความติดในปีติสุขซึ่งเป็นตัวจิตสังขาร น, นี้ให้ได้ไม่ให้จิตไปติดในปีติในสุขเป็นจิตสังขารขึ้นคอยพรากจิตออกจากความติดใจยินดีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในปีติในสุขปีติสุขบังเกิดก็ให้บังเกิดไปไม่ต้องไปห้ามปรามแต่ว่า คอยระวังไม่ให้มาเชื่อมเขากับจิตไม่ให้จิตไปติดปีติสุขดังนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สี่อันเกี่ยวกับเวทนาก็คือกำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตในปฏิจสมุปบาทนั้นได้มีแสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิด ตันหาความดิ้นรนที่ยันอยากและในพระสูตรหลายพระสูตรก็มีแสดงว่าสุขเวทนานี่เป็นที่ตั้งของราคะคือความติดใจ ย, ยินดีเพราะฉะนั้นโดยปกติกิเลสกองตันหากองราคะก็สุญากเวทนานี้เองที่เป็นตัวสุขเวทนา ถ้าหากว่าไม่มีสุขเวทนาแล้วตัณหาหรือราคะก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อมต่อระหว่างขันกับกิเลสจึงอยู่ที่เวทนานี้เองคือตัวสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาราคะหรือเป็นที่ตั้งของตัณหาราคะก็เพราะเหตุว่า ไม่ได้ทําสติปัฏฐานคือไม่ได้ปฏิบัติสติที่จะรู้จักระ ง, งับกิจสังขารที่จะระ ง, งับที่จะพรากสุขเวทนาจากจิตม่ให้จิตไปติดบังเกิดเป็นตัณหาเป็นราคะขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในขั้นที่สี่ของเวทนานี้จึงเป็นขั้นสําคัญ และก็เป็นเรียกว่าขั้นที่สุดของขั้นเวทนานุปัสนาและในขั้นที่สุดของเวทนานุปัสนานี้ก็อย่าไปคิดว่าไม่ไปใช่เป็นเรื่องสำคัญดังที่กล่าวแล้วคือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นความเชื่อมต่อระหว่างขันกับกิเลสถ้าหากว่ามีสติมาคอยรำงับได้ในขั้นนี้ คือระ ง, งับกิจสังขารได้ในครั้นนี้แล้วกิเลสก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะสุขเวทนาสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นไปตามธรรมดาของสังขารทุกเวทนาก็บังเกิดขึ้นตามธรรมดาของสังขารแต่ว่ามือมีสติมาตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะทําให้เวทนานี้ไปเป็นปัจจัยให้บังเกิดกิเลส เป็นตันหาเป็นราคะไปต่างๆเพราะฉะนั้นขั้นนี้จึงเป็นขั้นสำคัญผู้ปฏิบัติธรรมต้องรำลึกถึงและตั้งใจหัดที่จะคอยแยกจิตไม่ให้ไปติดในปีติในสุขซึ่งรวมเป็นตัวสุขเวทนานี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวนและตั้งใจทงความสงมบสืบต่อไป